ทำบุญหวังให้ชาติหน้ามีหน้าตาเหมือนดาราคนโปรดถามผมชอบหน้าตาดาราคนหนึ่งอยากเกิดใหม่รอไร้ทิฏฐิแบบเขาเป๊ะๆอย่างเนี้ยทำบุญมากๆแล้วอธิษฐานขอให้มีรูปร่างหน้าตาแบบเดียวกันกับเขาได้ไหมครับ ตอบไม่ได้หรอกครับการทำบุญในแบบของคุณจะทำให้เกิดสัด ส, ส่วนหน้าตาแบบนั้นๆลอกเลียนกันไม่ได้อย่างเช่นในกรณีนี้ตรงๆถ้าทำบุญด้วยความอยากลอกแบบหน้าตาคนอื่นเขาเรียกทำบุญแบบหวังผลเป็นบุญที่เจือด้วยความโลภหน้าตาที่ออกมาอาจดูดีแต่ไม่ถึงขั้นไร้ที่ติเหมือนอย่างคนที่คุณอยากจะเป็นอย่างน้อยหันซ้ายหันขวา ต้องมีสักมุมที่เขารู้สึกว่าคุณหล่อไม่เสร็จการที่มีรูปร่างหน้าตาสวยหล่อร้ายทิฏฐินั้นต้องทำบุญด้วยศรัทธาในสุขอันเกิดแก่ใจตนและใจท่านทำไปอย่างเชื่อว่าผลของบุญมีจริงแต่ไม่ใช่โลภอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และการทำบุญก็ไม่ใช่มีแค่การถวายทานแด่พระสงฆ์นะครับ การให้ทานแก่คนทั่วไปการให้ทานแก่สัตว์การให้แรงงานแรงสมองเป็นทานการให้อภัยเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานก็จัดเป็นการทำบุญเช่นกันทานแต่ละชนิดล้วนเป็นตัวแปรตกแต่งหน้าตาทั้งสิ้นเช่นถ้าคุณให้อภัยทานเก่งๆความหล่อในแบบของคุณจะเป็นไปในทางผ่องใสไม่มีพิษภัย ถ้าคุณฝึกนิสัยให้ทานแบบครบวงจรก็จะเป็นคนใจดีแบบไม่มีประมาณและองค์ประกอบของทานที่เกี่ยวกับหน้าตาผิวพรรณนั้นก็คือศรัทธาหากให้ทานด้วยศรัทธาบริสุทธิ์แท้จริงผลจะทำให้หน้าตาและผิวพรรณในชาติถัดไปงดงามในแบบเจิดจรัสชวนพิสวงซึ่งอวัยวะที่ดูราวกับเครื่องประดับ เช่นตาสีฟ้าแลซึ้งผมสีทองล้ำค่าผิวเนียนละเอียดเปล่งปลัง่งก็เป็นส่วนของประกายศรัทธาในมหาทานที่ทำทั้งชีวิตด้วยความรื่นเริงไม่คิดหวังผลนั่นเองครับนอกจากนั้นการทำบุญด้วยการรักษาศีลจะเป็นเครื่องวัดว่าคุณสมควรหล่อแบบไร้ที่ติเพียงใดถ้าละเมอศีลข้อใดเป็นอาจิน ก็จะได้ส่วนเสียของการละเมอสินข้อนั้นๆไปตกแต่งหน้าตาให้ผิดเพี้ยนโน่นนิดนี่หน่อยหรือดูโดยรวมออกแนวใดแนวหนึ่งชัดเจนไปเลยเช่นชอบฆ่าสัตว์ด้วยใจโหดเหี้ยมจะคิ้วหนาตาขเขม่นแบบคนดุดันถ้ารักขโมยบ่อยจะหน้าแหลมออกแนวโกงโกงดูไม่น่าไว้ใจเป็นต้นแต่หากรักษาศีลได้บริสุทธิ์เท่าไหร่ ใบหน้าก็จะยิ่งได้สัดส่วนสมบูรณ์ในทุกมุมมองมากขึ้นเท่านั้นยิ่งถ้าคุณหมั่นทำบุญขั้นสูงคือปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่เรื่อยๆความหนักแน่นของใจและสติปัญญาที่เกิดขึ้นจะได้ดนให้รูปกายในชาติต่อมางามสง่าหน้าเกรงขามพูดง่ายๆว่าถ้าจะหล่อก็หล่อแบบฉลาดหน้าเลื่อมใส น่านับถือไม่ใช่หล่อฉาบช่วยที่ใครจะสงสัยกัรลับหลังว่าหล่อขนาดเนี้ยมีเกิดหรือเปล่าทั้งรูปหน้าผากทั้งความลึกของสีตาทั้งส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องหน้าจะฉายแววฉลาดออกมาแต่เด็กเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อทำเหตุถูก แม้ไม่ได้ปรารถนาอะไรก็ยอมได้ผลถูกกรณีนี้ก็เหมือนกันขอเพียงคุณทำเหตุคือกรรมที่เหมือนกันกับที่ดาราคนนั้นเคยทำในอดีตคุณเกิดใหม่ก็จะหน้าตาท่าทางเหมือนเขาได้สำคัญคือเป็นเรื่องยากที่เราจะทราบว่าใครเคยทำกรรมแบบไหนไว้บ้างฉะนั้นจะให้ลอกเรียนกรรมคนอื่นแบบเป๊ะ ก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกันสิ่งที่คุณหวังได้คือทำกุศลกรรมให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่กำลังของคุณจะอํานวยตามแนวทางของทานศีลภาวนาคุณก็จะได้มีหน้าตาหล่อเหลาสมบูรณ์แบบในสไตล์ของคุณเองอยากฝากไว้ด้วยว่าถ้าคุณทำกุศลกรรม ด้วยความมุ่งหวังว่าขอให้เกิดใหม่เป็นชายหน้าตาดีไม่มีที่ติชาติหน้าคุณจะหลงรูปในกระจกเงาของตนเป็นชีวิตจิตใจชนิดที่มองซ้ำมองซากได้เป็นชั่วโมงไม่เบื่อเห็นตัวเองเป็นแม่เหล็กทรงสเสน่ห์ไปไหนใครก็มองจีบสาวที่ไหนก็ติดขอนอนกับใครเขาก็ให้อย่างนี้ก็เท่ากับติดกับดักหนึ่งในเกมบุญบาป เหมือนถูกสาบให้ก่อกรรมด้วยความหลงตัวมากมายก่กองโดยรู้เท่าไม่ถึงการหากอยากเล่นเกมบุญบาปให้ปลอดภัยอยากให้หันมาเน้นการทําบุญข้อที่ว่าด้วยการภาวนาให้มากขึ้นเพราะเมื่อปฏิบัติธรรมภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วความหลงรูปและความหลงเห็นกงจักเป็นดอกบัวจะน้อยลงต่อไป คุณจะเป็นคนหล่อแบบไม่หลงตัวไม่ใช้ความหล่อขุดทางไปนรกเหมือนที่หลายๆคนเขาทำากันครับ